ตอนสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตามัสกรรพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกลัลยาณมิตรทุกคนนั่งสบายสบายเนาะก็มีเสียงเรียกร้องบอกชดเชยวันเสาร์ก็ไม่ขัดสัตถาเนาะกำลังมองหาจุดเริ่มต้นอยู่ก็เนื่องจากมีพระคุณเจ้าพระผู้ใหญ่ท่านมาพักผ่อนแล้วก็มาศึกษามาแลกเปลี่ยนนะบงเอิญท่านก็ ได้ศึกษาทางปริยัตทางวิชาการด้วยก็วันนี้จะขอพูด เ, เรื่องวิชาการแค่สังเขตให้เข้ากับสิ่งที่เราทำอยู่ก็บางทีก็คงเคยเกินมาแล้วละ่ะก็วันนี้จะใช้เวลาไม่ยาวมากก็รวบรวมให้เห็นภาพชัดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับคาสอนผู้เจ้าในข้อใดบ้าง จริงๆแล้วทุกๆข้อที่พระองค์ตัดออกมาเนี่ยมันจะลิงกันหมดละมันไม่ได้แยกส่วนชัดเจนถ้าดึงไปดึงมาแต่มันเชื่อมโยงกันหมดเมื่ออาทิตย์ไหนก็ไม่รู้พระพูก็เกิดเรื่องผู้เจ้าตัดไว้ว่าแกนของพุทธศาสนาคือแกนนะแกนของพุทธศาสนาเนี่ยหรือ ที่พระ อ, องค์บอกว่าสาระสำคัญของสัมมาปฏิบัติคำว่าสัมมาปฏิบัติเขารวมหมดเลยนะรวมทั้งวิถีชีวิตทั่วไปแล้วก็การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นะพระ อ, องค์ก็ย่อสั้นๆแต่พระ อ, องค์ยกตัวอย่างคล้ายๆว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งพระ อ, องค์ก็เปรียบว่าลาบส ก, การะและชื่อเสียง เพื่อเมื่อหลายวันก่อนพระ อ, อาจารย์ท่นเดินทางมาที่นี่ท่านก็บอกพระครูว่าตอนนี้ขอเขาเอ่ยชื่อพระครูไม่มีเจตนาลายกระขายเพราะมันเกิดขึ้นสังคมไม่ใช่ความลับนะท่านบอกว่าอาจารย์เดชาท่านบอกว่าพุทธวจนะดังมากอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่วันนี้ก็ขอจะกล่าวถึงนะพุทธวจนะแปลว่าอะไรเพราก่อนจะถึงตรงนั้นก็ขอยกตัวอย่าง คำตัดกุบุเจ้าที่อยู่ในสูตรสูตรหนึ่งพรากคุณไม่ต้องจําชื่อว่าสูตรใดนะก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้หรือว่าพระองค์ตัดไว้ว่าลาบสักกาละและชื่อเสียงคําว่าดังมากมันเกี่ยวกับชื่อเสียงเปรียบเสมือนใบไม้แล้วก็กิ่งไม้ใบไม้กิ่งไม้มันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละลมพัดลมเพไปตามลมแล้วก็เดี๋ยวมันก็แก่มันก็ร่วงแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ ทุกคนต้องมีสัมาอาชีวะต้องมีอาชีพเมื่อเราทำอาชีพที่บริสุทธิ์สุดจ ด, ดิตคนก็นับถือเรายกย่องเราหรือว่าสารรเสริญเรามันก็เหมือนใบไมก้กิ่งไม้มันเป็นมันเป็น ถ้าในทางโลกมันเป็นผลพลอยได้แต่มันไม่ใช่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเมื่อเขาสลรเสริญเขานิยมเหล่านี้ยแต่เขาก็เกิดศรัทธาถ้าไปนในทางกุศลนะแล้วก็ใช้ศรัทธาตัวนี้นะ่ะชี้ทางถูกต้องให้เขามันเป็นผลพลอยได้แต่มันเปรียบเสมือนใบไม้แล้วก็กิ่งไม้ลมพัดลมเพเอไม่ตั้งมั่นทีนี้พระองค์ก็เปรียบศีลศีลนี่เปรียบเสมือนสะเก็ดไม้เปรียบเสมือนสะเก็ดไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ แต่เป็นแค่สเก็ดมันเล็กๆพระองค์ยกตัวอย่างนี้เพื่อให้เห็นความสําคัญมากน้อยที่แตกต่างกันแล้วพระองค์เปรียบสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งต้นไม้ต้องมีเปลือกกับพีต้องมีแก่นไม่งั้นมันเป็นต้นไม้สมบูรณ์ไม่ได้นะมันก็ต้องอยู่ด้วยกันมันถึงองค์รวมจะกลายเป็นต้นไม้ขึ้นมาสมบูรณ์สมาธิก็แค่เปรียบเสมือนเปลือกไม้แต่ถ้าเรา อย่างเข้าไปไปขโมยที่ว่าเขาปลูกไอ้ต้นหอมอะไรเนี่ยนะเขาไปขโมยเอาเปลือกมันออกหมดต้นไม้ตายไหมก็ไม่ตายเดี๋ยวมันออกเปลือกใหม่นะแต่ว่ามันมีความสําคัญระดับหนึ่งสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้แต่ทุกวันนี้ในสังคมไทยเราเนี่ยเอาสมาธิมาเป็นพระเอกคล้ายๆเป็นเป้าหมายสูงสุดโดยเฉพาะเอาสติด้วยในสี่ห้ข้อที่พระยกตัวอย่างไม่พูดถึงเรื่องสติเลยนะเห็นไหมสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้ แล้วก็ยานทัศนะหรือตัวปัญญาเนี่ยพระองคเปรียบเท่ากับกับพีไม้กับพีก็คือว่าอยู่ในเปลือกอีกก่อนจะถึงแกนมันยานบางคนมียานรู้มีปัญญาทัา้งยานแบบปัญญาทางโลกเห็นไหมจบด็อกเตอร์อะไรก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วความสามารถเราเองเนี่ยก็ไปเอาเปรียบคนอื่นอันนั้นจริงๆนลมเป็นแค่ความรู้ไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาในทางาศาสนาได้ปัญญายานทัศนะทางจิตเนี่ยพระองค์ก็เปรียบเหมือน กัพีไม้ก็ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของต้นไม้และตัวสุดท้ายเนี่ยองตัดชัดเจนว่าวิมุตติหรือนิพานเนี่ยเปรียบเสมือนแกนของมันอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงไงเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนายกชนนะก็คือวิมุตติคือความหลุดพ้นนั่นคือแกนของต้นไม้แล้วเรียกว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแต่ตอนนี้เราไม่กล้าคิดถึงนิพาน เราเข้าใจว่าอยู่ไกลมากแล้วก็ไปฝึกสติจเจริญสมาธิไม่ได้ห้าข้อที่พระครูเอ๋ยเมื่อกี้นี้ไม่มีคำว่าสติสติไม่ใช่พระเอกสติยังไม่ใช่ส่วนหนึ่งของต้นไม้นี้ด้วยเห็นไหมมันยังมีอยู่ในห้าข้อนี้เพียงแต่ว่าสติเป็นเครื่องมือการเดินทางของจิตที่สำคัญอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือในหนึ่งในมรรคมีองแปดนะแต่มันไม่ใช่พระเอก แต่ตอนนี้เนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยชูธงให้สติเป็นพระเอกที่ไหนก็สติเพราะครูหลายปีก่อนเดินทางไปผ่านโคราชก็มีมอใหญ่แห่งหนึ่งเนี่ยวันวิสาขาบูชาปีนั้นก็บอกขึ้นใต้สัมมาสติอีกปีนึงผ่านก็สัมมาสมาธิเขาแยกซอยเอาเพวกนี้เป็นวิชาเป็นกลายเป็นพระเอกเป็นเป้าหมายนะแล้วพรอครูไล่ไปเรื่อยๆนะที่เอาห้าข้อนี้ขึ้นมาก่อนว่าพระเจ้าตัดไว้ว่า สัมมาปฏิบัติของมนุษย์ทุกคนเนี่ยพระองค์เปรียบเสมือนเอาต้นไม้มาม า, มาเป็นยกตัวอย่างว่าอะไรสำคัญก่อนหน้าหลังแต่ทั้งหมดนี้คือรวมกันกนี่เเป็นต้นไม้ขึ้นมาแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวแก่นต้นไม้ก็คือตัววิมุตติเป้าหมายสุดทคือความหลุดพ้นแต่ทุกวันนี้เราเอาฌา์เจริญสติเอาการฝึกสมาธิเป็นเป้าหมายแค่นั้นเองมันกาลังมันไม่ถึง อันนี้โอเคแล้วก็จะทำให้มันถึงวิมุติทำยังไงฉันอยากวิมุติฉันอยากจะหลุดพ้นนึกเอาวิปัสสนึกเอาเนี่ยแล้วแล้วมันหลุดพ้นได้ไหมไม่ผู้เจ้าไม่พูด ล, ยลอยๆนะพระองค์ยิ่งใหญ่มากชี้ทางให้เราแล้วก็บอกวิธีด้วยพระองค์ไปค้นพบความจริงของธรรมชาติแต่ น, นั้นยิ่งใหญ่แล้วแต่ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระองค์รู้วิธีแก้ด้วยอันนี้ยิ่งใหญ่มากก็ ลิงก็ไปอยู่หลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมาเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการที่ผู้เจ้าตรัสรู้จริงๆแล้วเนี่ยความจริงที่ยิ่งใหญ่ไม่อยู่แค่นี้ก็คือมีสี่ข้อนี้ส่วนแต่ขแนแดงไปเป็นธรรมะปีกย่อยนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของปีกย่อยชี้แจงเรื่องรายละเอยียดเฉยๆทีนี้เราก็ไปติดบ่วงเรื่องปีกย่อยไปแยกขแนแดงปฏิบัตินะมันก็เลยกำลังมันไม่ถึง อายะศัพทสีเนี่ยผู้เจ้าก็ตัดให้เรารู้ว่าอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ทำให้เหตุที่ทำให้เราทุกข์คืออะไรก็คือตัวตัณหาคือตัวอยากนิโรธก็คือนิพพานคือความดับทุกข์และสุดท้ายนี่ท่านในแง่การปฏิบัติก็สำคัญที่สุดเพราะสามสี่ข้อนั้นพระองค์พูดให้เราฟังให้เราเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์ พูดให้เรารู้เฉยๆก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะไอพุทธวจนะที่เขาพูดกันนะเป็นคําพูดของพุทธเจ้าแต่รู้เฉยๆไม่ลงมือจเจริญมรรคเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นขยะเพราะกูจะลิงิงๆให้เห็นอะไรนะตัวสุดท้ายก็คือมรรคทางไปสู่การพ้นทุกข์ก็ต้องลงมือปฏิบัตินะทีนี้มรรคทารกัด้ก็ย่อมาอ่างมรรคมีองค์แปดที่แปดข้อ เห็นชอบดำดีชอบอวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบความเพียรชอบสติชอบอันนี้เป็นมครคภายนอกเป็นพฤติกรรมที่เราต้องทําบ่อยๆส่วนมครคภายในเนี่ยมันมีมครคภายในเรามครคจิตอันนี้พระเจ้าก็ชี้ทางชี้วิธีให้เราเข้าไปข้างในจเจริญมครคจิตโดยใช้เครื่องมือพระองค์ก็บอกเครื่องมือโดยวิธีจะเข้าไปข้างในวิธีจเจริญมครคจิต นะต้องใช้อะไรโพธิปักขพยาธรรมสามสิบเจ็ดประการไม่ใช่แค่เจริญสติฝึกสมาธิไงมันก็ได้สมาธิได้สติมันก็ไม่ไปไหนไงที่ผ่านมาเราไปแยกส่วนแยกสอยแล้วก็ไปติดบ่วงไอ้ไอ้ข้อปีกย่อยตรงนั้นไม่ใช่มันไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไมไมคัญทุกอย่างสําคัญหมดไม่มีแม้แต่หนึอย่างไม่ไม่เชื่อมโยงคำบับชีวิตเราเนาะมันมันเชื่อมโยงกันไปหมดเพียงแต่ว่า ถ้าจะไปอ่านคำสอนพระริจ้าหน่ยต้องดูทั้งหมดดูทั้งหมดก็ช่างบางทีอ่านจนจบดอกเตอร์แล้วก็ช่างอ่านเรื่องนี้ลืม เ, เรื่องนี้อ่านเรื่องนี้นะแต่ถ้าจิตเรามันทะลุปล้องมันแตกฉานแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจทั้งหมดโดยไม่ต้องไปจาอันนั้นเป็นแค่ภาษาแต่ตอนนี้เขารวบรวมภาษาสิ่งที่พระ อ, องค์ตรัสที่พระ ท, ที่พระ อ, องค์เคยเป็นวาจาออกมาก็เอามารวมเป็นเล่ม จากร้เล่มที่ปัจจัยบิโดดก็ลดมาสี่สิบห้าเล่มวันดีคนดีก็ลดมาเลยอยู่เล่มหนึ่งและบอกเป็นเล่มแรกของโลกโดยตั้งชื่อว่าพุทธวจนะเขาบอกว่าเป็นเล่มแรกของโลกเป็นทฤษฎีใหม่เป็นลทัทธิใหม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วเนื่องจากเราเป็นวุทยาลัยกชนลเขามีสิทธิ์ที่จะทํำพวกครูก็จะมีสิทธิ์ที่จะชี้ให้ดูว่ามันคืออะไรมันก็คือมนุษย์ยุคนี้เดี๋ยวนี้สร้างขึ้นนะอาศัยอ่านเก่งแยกแยะแล้วก็เอา เอามาเป็นบันทึกเ ป, เป็นเล่มๆ <c oughs> ก็เป็นวิชาการอย่างหนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่ห้าข้อที่ผู้เจ้าบอกว่าสัมมาปฏิบัติเลยไม่มีแล้วก็มักมีองแต8นี่ก็แตกแขนงมาจากไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ได้ไปว่ารู้มากไม่ใช่ไปท่องจำเก่งปัญญายานเห็นไหมทุกวันนี้เราเรียนรู้วิชาทางโลกได้ว่าวิชาความรู้ ความรู้เราเกิดขึ้นจากเราเรียนวิชาต่างๆแล้วก็เกิดความรู้และส่วนมากเป็นความรู้ที่ไปก๊อปปี้เรียนแบบเข้ามาความรู้เกิดจากวิชาที่มนุษย์สร้างขึ้นประสบการณ์มนุษย์น่สร้างขึ้นเราเรียกว่าความรู้วิชาความรู้แต่ปัญญาเกิดจากญาณปัญญาปัญญาต้องเกิดการรู้แจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดหรือการท่องจาการเรียนแบบนี่ต้องต้องแยกแยะให้ได้อะไรคือความรู้อะไรคือปัญญา นะแล้วพ่อกูจะลิงดิงลิ ง, ลงคือธรรมะพวกองค์พูดเรื่องอะไรก็ช่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะจับตรงไหนมาเน้นประเด็นตรงไหนให้เราเข้าใจอะไรพวกคูไม่ใช่นักอ่านแต่เนื่องจากจะนนี้เขาสร้างประเด็นขึ้นมาให้พ่อกูต้องไปพิจารณาว่าเขาทําอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วมันอยู่ในหมวดไหนนะพวกคูไม่ได้อ่านแต่พวกคูเชื่อว่าในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยไม่มีคําว่าพุทธวจนะ ทั้งเป็นเร่มแรกของโลกไงสิ่งที่พระเจ้าตัดไว้ทั้งหมดเนี่ยก็คือพุทธวจนะเป็นวาจาที่พระ อ, องค์เต่งออกมาทั้งหมดนั่นแหละอยู่ที่ว่าใครจะไปเอาหมวดไหนหมวดอะไรมานะเพื่อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติแต่เมื่อกี้พระครูพูดให้ฟังเรื่องสัมมาปฏิบัติหลักใหญ่ๆพระเจ้าชี้ไว้แค่นี้ที่เรามีสัมม า, าชีว่าเราเราทําปุ๊บมะเกอร์ถ้าเราทำเป็นสัมม า, าชีว่าจริงๆมีอาชีพดีๆเนี่ยนะ แล้วก็ได้ลาบส ก, การะตัวนี้ลาบส ก, การะบางทีก็เกิดจากไปป้นข้าเข้ามาไปโกงเขาก็มีนะแล้วก็เกิดสรรเสริญเกิดชื่อเสียงเพราะคุกวันนี้เราแยกไม่ออกว่าคนมีชื่อเสียงต้องเป็นแบบไหนคนโบราณเนี่ยคนมีชื่อเสียงมีคนสรรเสริญนยอต้องเป็นคนเป็นคนดีคนทำดีแต่ยุคนี้เนี่ยมันแยกแยกไม่ออกก็คือรวยแล้วคือดีชนะก็คือดี นะมันก็เลยสับสนไปหมดเนะอาเป็นว่าโอเคถ้าได้ถึงแค่นั้นก็เป็นแค่ใบไม้กับกิ่งไม้เท่านั้นเองนะแม้กระทั่งศีลเห็นไหมพวกผูดเองแม้กระทั่งศีล น, นี่ก็เปรียบเสมือนสะเก็ดไม้เป็นส่วนเล็กๆของต้นไม้อยางทำไมพวกครูเข้าใจทั้งนี้เพราะเพราะเพราะอ่านปุ๊รู้ศีลไม่ใช่มีๆม่ไม่ไม่มขนุนกันสำคัญแต่เทียบเท่ากับสะเก็ดไม้ เพราะไอ้ศีลวินัยที่เราสร้างขึ้นมาช่วงหลังเนี่ยจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกเนี่ยเป็นมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวเตือนสติเรากากับชีวิตเราเนี่ยเป็นการเตือนสติเรานะเพื่อเพื่อเป็นกติกาในการอยู่ร่วงมันเป็นแค่วินัยแต่มันมีความสำคัญถ้าเป็นต้นไม้ก็เทียบเข้ากับสะเก็ดไม้ ทีนี้มีศีลไม่พอเห็นไม้มศีลสมาธิปัญญานะเราก็ต้องมีสมาธิทีนี้มีสมาธิมีสองระดับนะหนึ่งฝึกสมาธิเราเรียกว่าระดับสัมมาทากรรมทานเป็นช่วงที่ฝึกให้มีกำลังสมาธิมากขึ้นสมาธิส่วนหนึ่งที่เป็นวิปัสสนานั้นต้องใช้สมาธิเป็นช่วงที่เราจเจริญมรรคจิตเนี่ยเราต้องใช้มันยิ่งใช้ก็ยิ่งชนานาญ แต่สมถะาากับมัฐานเป็นช่วงที่เราฝึกเฉยๆือนเราเป็นนักมวยแเราก็ชกช ก, ชกชกชกกระสอบเราขยันเรามีขันติเรามีวิริยะเราก็ได้มีความแข็งแรงระดับหนึ่งมีทักษะระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เคยขึ้นเวทีเลยเนี่ยเราก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดทักษะเพิ่มเติมเพราะว่ากระสอบมันชกเราคืนไม่ได้พอเราขึ้นเวทีปุ๊บคู่ต่อสู้เขาไม่บอกว่าระวังนะฉันจะชกขวาแล้วเขาชกมาเลยตอนนั้นเราต้องใช้สติใช้สมาธิลกหลีกมัน ใช้ปัญญาที่มีอยู่เนี่ยสู้กับอารมณ์คู่ต่อสู้นั้นก็คือธรรมในธรรมคือธรรมอารมณ์นั่นแหละไอ้ธรรมในธรรมนั่นเป็นสติปัฏฐานสี่คือตัวสุดท้ายแต่ถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตไม่ได้เราไม่มีวันเสพธรรมในธรรมได้นั่นคือเราขึ้นเวทีเราขึ้นเวทีกระแสมาแล้วเขาเรียกว่าเข้ากระแสแล้วนี่คือมรรคจิตยังลาดับนะว่า สมาธิสติก็สําคัญแต่ไม่ใช่เป็นพระเอกว่าเราฝึกเพื่อให้มันมีสมาธิให้มีสติเราฝึกระดับแรกเป็นการฝึกปลุกสติสมาธิให้มันตื่นขึ้นอันดับที่สองเจริญวิปัสนาต้องใช้สติใช้สมาธิเดินทางนะเหมือนเราหลงป่านะั่นเด่ะเรามีหน้าที่เดินออกจากป่าให้เร็วที่สุดไม่ใช่ไปเวลาฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นเวลาเดินต้องใช้สมาธิถ้าไม่ใช้สมาธิก็ขัดขาตัวเองลมถ้าไม่มีสติก็ตกเหวตกบ่อชนต้นไม้ นะต้องใช้ปัญญาเจออุปสรรคต้องแก้ไขนั่นคือมรคจิตต้องใช้มันยิ่งใช้ก็ยิ่งชํานาญแต่ไม่ใช่ว่าเป้าหมายว่าทําให้มีสติมีสมาธิสุดท้ายก็ไม่เดินทางเลยเนี่ยอันนั้นตายเปล่ามันไม่ใช่มรคมรคผลนิพพานไม่ใช่สติผลนิพพานไม่ใช่สมาธิผลนิพพานพระองค์เจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วก็ให้เราเรียบเรียงนะโอเคสัมภารกรรมฐ า, านเดี่ย มันแยกไม่ออกหรที่แรกเขาบอกว่าการเจริญภาวนาคือสมถาวิปัสนาสมถะก็เกิดส่วนมากเกิดจากฐานกายเทวดาทำไม่ได้เพราะไม่มีกายเราก็ใช้ฐานตัวนี้น่ยนะถ้าใช้ฐานตัวนี้ถ้าไม่มีฐานกายเนี่ยสติปัฏฐานสี่นี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีกายเวทนาจิตธรรมแต่ถ้าลําพังฐานกายมันจะมีแค่สองฐานคือฐานกายกับฐานเวทนาเวทนาเกิดขึ้นที่ใจ ใจเป็นศูนย์กลางของอยายตนะตาหูจมูกดินกายใจทุกวันนี้สมถะกรรมฐานก็อยู่แค่ตรงนี้ฐานกายฐานเวทนาเวทนาสูงสุดของสมถะกรรมฐานก็คือฌานสี่ตัวสุดท้ายวิตกวิจารปิติสุขเอกคะะตาลมต้องมีอารมณ์เดียวคือสงบนิ่งไอตัวนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนา ถ้าจิตใจไม่นิ่งแล้วเนี่ยมันจเจริญไม่ได้ถ้ามันยังคิดอยู่มันยังกระเพื่อมอยู่เนี่ยนะวิปัสนาเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนน้ํามันนิ่งเห็น ไ, ไหมน้ํามันนิ่งปุ๊บฝุ่นลอองเม็ดนิดเดียวร่วงลงมาเราก็เห็นเราก็สัมผัสได้ใบมาร่วงมาเราก็สัมผัสได้โดยไม่ต้องทําอะไรเล ย, เลยแค่นิ่งนั่นคือเอกคตาลมถ้าไม่ถึงขั้นเอกคตาลมเนี่ยเราก็เจริญวิปัสนาไม่ได้ส่วนมากเป็นวิปัสสนุก นั่งเพ่งโน่นเพ่งนี่พิจารณาคิดเอาเองคาดคขเนาเอ ง, เ, อ เ, องเป็นจินตนาการแนววิปัสสนึกวิปัสสนาจริงๆเนี่ยต้องปราศจากการกระทําใดๆทั้งสิ้นคือเลิกคิดเลิกพูดเลิกมีกายกรรมก็คือจิตมันสงบนิ่งเป็นเอกคตาลงยังมีอารมณ์ปิติยังมีอารมณ์มมสุขอยู่เนี่ยมันยังมีอยู่ไอ้ตัวนั้นนี่ะเจริญวิปัสสนาไม่ชัดเจนนะ ก็ให้ให <mentor> sí <ide> ้ลำดับเท่านัสมถะเป็นบาดฐานเบื้องต้นในการตัวค้าจุนให้เกิดวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ตอนนี้เราไปติดบ่วงสติสมาธิเราก็ไปติดบ่วงสมถะกรรมฐานกี่ปีกี่ปีก็ไม่ไปไหนเหมือนสปริงเราก็ไปกดมันไว้น่ะกดมันไว้กดมันไว้เมื่อเรามีพลังสมาธิกดมันไว้กดมันไว้เราระวังสมดุลระวังเนี่ยเหมือนเรากดมันอยู่พออากุโตชนปึ๊กมันก็เด้งผางเลยเห็นไหม อันนั้นคือปลายเหตุมันเป็นแค่สัมมถตาทาให้เกิดความสงบชั่วครู่แต่มันไม่ถาวรวิปัสนาทําให้เกิดปัญญาเมื่อมันมีปัญญาแล้วมันรู้ว่าต้นเหตุที่ทําให้เราไม่สงบคืออะไรมันก็กําจัดไอ้ตัวนั้นออกเอาเชื้อที่ทำํำลายปิสุทธิ์ออกมาตอนนั้นสงบถาวรเป็นปัจสัทธิสัมโพชงมันสงบนิ่งตามธรรมชาติของมันนะอันนี้ไล่ไปเลยนะ เอาเปนว่าตอนนี้เนี่ยสังคมพุทธเราส่วนใหญ่ไปติดบ่วงอยู่ที่สัมมาทาทีนี้สัมมาทาเป็นบาดฐานเป็นกําลังที่เกื้อหนุนให้เกิดวิปัสนาทีนี้วิปัสนาเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองหลักใหญ่ๆวิปัสนาแบบหนึ่งคือทางลัดมุ่งไปสู่อาสวะขย้ายานฝ่ายเดียวเพื่อพ้นทุกข์ทางลัดทางตรง ส่วนวิปัสนาแบบพิสดารอันนั้นส่วนมากก็ไปอาศัยฐานสมมาทาฝึกนานๆมันจะเกิดอภินญายานต่างๆนะอันนั้นอยู่ที่จดดิตเราฝึกมาหลายชาติไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานขึ้นไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดหรอกมันเป็นทางสองแง่แต่สุดท้ายอย่าเลิกเดินเนี่ยมันก็ถึงเหมือนกัน แต่บางทีนี่พระครูในแง่พระครูนะพระครูบอกบางทีมันตายก่อนแนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยตัวเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นี่จิตอดีตนี่มาฝึกแบบพิสดารมาหมดแล้ ว, ลวที่เราละ ล, ลึกชาติได้ด้วยมันก็เป็นเรื่องอภิน ญ, ญาอย่างหนึ่งเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณบางทีเราหูทิพย์เราทีเร า, ทเราตาทิพย์เรามียานทัศนะนาเราคนนี้เนี่ยมันเป็นบารามีเก่าแต่ถ้ามาเจอพระครูปุ๊บเบี่ยงทิ้ง เลี้ยวเข้าถูกสายทางลัดตรงๆเพราะเราไม่มีเวลาแล้วแต่ไม่ใช่มันถูกมันผิดแต่ว่าเขาแยกให้เห็นว่ามันมีสองแนวใหญ่ๆมีสงแนวใหญ่ๆส่วนส ม, มถกรรมฐานนั้นพระองค์ยกตัวอย่างสี่สิบกรรมฐานคืออารมณ์ในการฝึกส ม, มถกรรมฐานพระองค์ยกตัวอย่างสี่สิบกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานหรือใบไม้กับมือเดียวนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางตอนแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเอาแค่มาใบเดียวนี่ทําจริงๆอย่างจริงก็ไปได้ ข้อสีกรรมาฐานเดี๋ยวบางท่านก็คงไม่รู้ก็ขอให้มันแตกขานเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรที่เราทําอยู่นะออบอกวิธีพวกกูบางคนบอกไม่ใช่วิธีพ่อวิธีพ่อกูไม่มีวิธีนะไม่มีวิธีไม่เคยบังคับให้ทําอย่างไรเลยทุกคนดาเดินเองอสุภะเริ่มจากกระสินสิบเขาเพ่งกสินนะเพ่งแสงไฟเพ่งน้ําเพ่งอะไรเนี่ยเขาเรียก ว, ว่ากระสินสิบเพ่งกสินพวกุด กสินเอาอะไรก็ช่างที่เป็นฐานที่ตั้งแห่งการเพ่งเราเนี่ยเพื่อให้จิตมันจดจ่อเกิดพลังจิตขึ้นมาเนี่ยพวกนี้จะเกิดเข้าไปในฌานด้วยและเกิดเกิดพวกอภิญญาต่างๆเหมือนกันกรสินสิบนะอันนี้ไม่ต้องพูดในรายละเอียดว่าคร่าวๆพวกเรายกตัวอย่างว่าการเพ่งกรสินนี่มีสิบข้อเป็นตัวอย่างอาสุภาษิตคือเพ่งอสุภาษเพ่งซากสดท่าโนู้นท่านี้จริงแล้วไม่มีแสนแสนท่า พวยกตัวอย่างแค่สิบท่านะให้มันเกิดสังเวชนะอันนี้คืออัศวะสิบแล้วก็ที่เราฝึกฝึกกันส่วนมากในเมืองไทยเราก็มีอนุสติสิบอนุสติสิบตัว น, นี้สําคัญมากเดี๋ยวพ่อครูจะลงรายละเอียดตรง น, นี้เพราะว่าสังคมไทยเราเนี่ยอิงตัว น, นี้เยอะนะก็แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของสำนักกรรมฐ า, านเท่านี้เองนะอนุสติสิบ แล้วก็มีพรงวิหารสี่ที่พ่อครูเคยยังมาฉายให้ดูฉือจี้ที่ไต้หวันน่ะเขาเอาพรงวิหารสี่นี่เป็นฐานที่ตั้งแห่งการถึกของเขาไม่ใช่ไปรู้เฉยๆนะเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาเนี่ยเขาทําเลยเขาปฏิบัติเขาปฏิบัติเขาปฏิบัติเป็นวิถีนะไอตัวนั้นก็พัฒนาไปสู่วิปัสนาได้นะเขายึดพรงวิหารสี่อาหาเลปตุกูลสัญญาหนึ่งนะ เราพิจารณาอาหารว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่ใช่พิจารณาว่ามันแซบหรือมันไม่แซบอร่อยไม่อร่อยนี่เขาเขาก็เอาอาหารนี่เป็นฐานที่ตั้งแห่งการกาหนดพิจารณาเพื่อให้จิตเกิดจางคลายความยึดมั่นถือมั่นกับความอร่อยแล้วก็ธาตุวัตถานหนึ่งก็คือว่าเอาธาตุในตัวเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการ เพ่งพิจารณามันเป็นอุบายทําให้จิตเราจดจ่อเท่านั้นเองแหะคือสมถะทำให้มันเกิดความสงบเมื่อเราจดจ่ออย่างใดอย่างหนึ่ง เ, เนี่ยเราก็ลืมความคิดแล้วก็วางความคิดมันก็ว่างชัว่วข่ามันก็เกิดความสงบเมื่อวางแล้วมันก็ว่างแล้วลมันก็สงบอันนี้คือคือคือตัวสุดท้ายนี่คือเราพิจารณาเรื่องอารมูปฌานสี่ทุกคนชอบฝึกฌานต่างๆนาน า, นานเนี่ยถ้าเราติดกับพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดอภิญญาแล้วเราจะไปหลงงัน เป็นผู้วิเศษเป็นผู้วิเศษแต่อย่างน้อยเราก็ได้สะสมพลังแต่เราจะเสียเวลามากขึ้นอันนี้ปฏิบัติแบบอาศัยฐานสมถะนี่ก้าวไปสู่วิปัสนาแบบพิสดารมันลิงก์กันอยู่แต่ถ้าถามจิตพระครูแล้วไม่มีเรื่องพวกนี้แต่พระครูมันเป็นเศษเรื่องนี้เรื่องนี้มันมีอยู่แล้วเพราะจิตเดิมเราฝึกมาหลายชาติแล้วมันเป็นอดีตบารมีของเราแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย พเพรารบอกว่าเวียงทิ้งไม่ใช่เวียงสิ่งนั้นทิ้งไม่ใช่รังเกียจมันไม่ใช่ผักใสไล่ส่งนะแต่ก็ไม่ไปติดมันเวียงความยึดมัน่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิ้งเดี๋ยวเราจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่เราจะไม่กลายเป็นคนพ้นทุกเราจะแห้งอยู่ตรงนั้นน่ะอีกหลายชาติก็ชี้ให้เห็นนะเนี่ยส ม, มถกรรมฐานครเจะยกตัวอย่างสี่สิบกองแล้วก็พูดถึงตอนนี้ลงรายละเอียดเรื่องอนุสติสิต เพราะตอนนี้บ้านเมืองเรามีแต่เจริญสติสติข้อแรกคือพุทธานุสติไม่ใช่พุทโธพุทธานุสติไม่ใช่ตามลมหายใจเข้าออกนะและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นการเตือนสติทำให้เราเกิดจับศรัทธาตั้งมั่นธรรมานุสติและลึกถึงคุณของพระธรรมนะและลึกถึงคุณของพระธรรม สังขารนุสติและลึกถึงคุณของพระสงค์เป็นการเตือนสติเราให้เราสร้างศรัทธาตั้งมั่นกับกับทางเดินนะไม่ใช่พุโทโธเนี่ยเป็นทฤษฎีที่หลวงปู่มั่นเราเนี่ยเอาขึ้นมาเป็นอุบายเนี่ยจริงแล้วมันอยู่ในหมวดของอานาปณสติคือตามลมหายใจเข้าออกในพระไตรปิฎกไม่มีคาว่าพุโทโธไม่มีคำว่ายุบหนอพองหนอ แต่เนื่องจากว่าสังคมเรายอมรับแล้วเราก็คิดว่าเป็นคําสอนพุทธเจ้าแต่พวกครูไม่ได้บอกว่าผิดไม่ได้ผิดมันก็เป็นอุบายวิธีเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งนะแต่เราไปเข้าใจว่าคําสอนเว่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่พวกคูลำดับให้ดูนะคำํำทว่าพุทธวจะนะจริงจริ ง, รงนี่พวว่อวงตัดอะไรไว้บ้างพวกคูจะลิงก์ให้ดูนะไอ้สัมมาปฏิบัติเมื่อกี้เนี่ย พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคือรละลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดพระพิจ้าเป็นศารณ ะ, ะเพื่อเตือนสติเราอนุสติคือเตือนสติให้เราเกิดศรัทธาสร้างศรัทธาเราตั้งมั่นและอันที่สี่นี่คือศีลานุสติเอาศีเนี้มาเตือนสติตัวเองบ่อยๆเราจะได้ไม่ต้องสร้างกรรมเป็นการเตือนสติด้วยศีล อันต่อไปคือจาคานุสติให้ระ ล, ลึกถึงคิดว่าเออจะทําจาคะจะสลัดออกจะทํากุศลมิจะคิดเรื่องเป็นกุศลน่ยคือจาคะคือสลัดออกคือขัดเกลีวความวุ่ความตะหนีเราออกไปเป็นการเตือนสติอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เราไปสอนว่าทําบุญแล้วต้องจําไว้นะต้องคิดถึงบุญที่เราสร้างมาตลอดเราเข้าใจคําตัว น, นี้ผิดเราต้องทําบ่อยๆไม่ต้องไปจํามัน ถ้าจำนะหมายถึงว่าเราทำบุญตามบุญเพื่อสร้างอนาคตนะไม่ใช่ทำบุญเพื่อจาคะเพื่อสลัดความโลภกปกดีออกมันเป็นการเข้าใจผิดอันต่อไปเทวานุสติเทวดาคือเหมือนสวรรค์นั่นแหละนะก็เหมือนเป็นตัวกระตุ้นนะว่าเราสร้างสิ่งบวกอย่าไปสร้างสิ่งลบนะบางทีเรามีเทวดาอยู่ในใจเราดีกว่ามีอสุรกาย ก็เป็นการเตือนสติอย่างหนึ่งเป็นการเตือนสติอย่างหนึงงน่งเนี่ยจะบอกหมวดอนุสติทีนี้ที่เราฝึกตอนเช้าทุกๆวันเนี่ยข้อต่อไปคือมรณานุสติคิดถึงความตายบ่อยๆในฐานะที่คนไม่ประมาทคือเราตายในแน่ <Ellis> เราทำอะไรเราคิดว่าเราจะไม่ตายนั่นแหละสร้างอะไรไว้แล้วไปให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขาก็ต้องไปแบกรับภาระอีกนะ นี่คือเราประมาทเราต้องเอาโมณานุสติเนี่ยมาเตือนสติเราบ่อยๆว่าอย่าประมาทนะเราเตรียมตัวตายหรือยังแล้วข้อต่อไปซึ่งสายธรรมกูบาจารย์ทึ่เป็นสาธรร ม, มิกกองเราเนี่ยท่านก็เอาตัวนี้เป็นอุบายในการผลคือกายากายกัตานุสติ จริงแล้วกายยัาทาชุตินีเขาให้เราเตือนสติว่าให้เราดูพิจรารณาร่างกายเราตลอดแต่ท่านอุบายว่าเข้าไปดูอสุภะข้างในอันนี้ก็คืออยู่ในหมวดของกายในกายกายนอกกายเนี่ยเวลาเราบวดปุ๊บเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ให้เราพิจรารณาขนผมเล็บหนังฝันอันนี้คือกายข้างนอกส่วนกายในข้างในเน่เราไปพิจรารณาเรื่อง อสุภาข้างในน้ำเหลืองเลือด ก, กระดูกเส้นเอ็นอะไรพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างให้มันเกิดสังเวชขึ้นมาให้มันเกิดเวทนาขึ้นมาก็เป็นอุบายวิธีแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของอนุสติสิบอยู่ในหมวดของสมถะกรรมฐานมันยังไม่ใช่วิปัสนามันเป็นวิปัสสนึกเราไม่ได้เห็นตับไตไส้พงจริงๆหรอกเราจรินตนาการขึ้นมา แ, แรกๆก็ได้ผลอยู่บางคน อาเจียนออกมาเลยนะเพรมันเก็ดสังเวกนะกินอะไรไม่ได้สักหลายวันแล้วก็ไม่สวยสวย ง, งามๆแล้วพอไปสักอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาเหมือนเก่าเพราะมันไม่ได้เห็นจริงๆมีคุณหมอท่านหนึ่งหลายปีก่อนเนี่ยท่านก็บวชพระอาจารย์ปรมีก็นําท่านมาเที่ยวที่นี่ก็เดินชมสถ า, านที่ก็คุยกันท่านบอกถ้าการเห็นตับไตไส้พุง ม, มันมรรลุทํามเนี่ยบอกผมน่าจะบรรลุนานแล้วผมผ่าตัดเห็นจริงๆเลย แล้วแต่เราจินตนาการเราก็เกิดสังเวชทีนี้จิ น, นาการทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ตายด้านมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่มันเป็นขั้นตอนในการเดินทางเฉยๆล้วก็ไปติดแบกอยู่ตรงนั้นนะกี่ปีกีอยู่นั่นแล้วมันจะก้าวไปไหนล่ะนี่คือกายากายาขตาสติมุเป็นเป็ น, นเป็นอนุสติอย่างหนึ่งทีนี้อันที่ฝึกกันมากๆในเมืองไทยคืออาณาปณสติ โดยใช้ลมหายใจเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเจริญอนุสติเพื่ อ, อรวบรวมพลังอย่างหนึ่งเพื่อก้าวไปสู่วิปัสนาและอาณาปณะสติเนี่ยมันชัดเจนคือว่าจากสมมถกรรมฐานพัฒนาไปสู่วิปัสนาได้เหมือนลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาคืออากาศเราต้องพัฒนาอนานาที่กลายเป็นปลานะขึ้นมาเหมือนคนจีนเขาฝุกไทเกตฝุกชี่กงนั่นแหละทําให้มันเกิดลมปานขึ้นมา นะใครสร้างลมปรานจิตเราต้องสร้างให้จิตเกิดลมปานเมื่อเขาเกิดลมปานเขาเกิ ด, เกดแรงเดี่ยนแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดพลังอิสระจากแรงดึงดูดของอารมณ์ที่ใจกับความคิดเหมือนรถยนต์เราสตาร์เครื่องมันก็ติดพลังงานทุกอย่างต้องหมุนโลกหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์นะเครื่องยนต์ทุกอย่างมันต้องหมุนทีนี้เราสร้างแรงหมุนตรงนี้ให้กับจิตเราโดยใช้หลักอาณาปณสติแต่เมื่อติดเครื่องได้แล้วเนี่ย แล้วเปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้เราใส่เกียบ์ปุ๊บมันดับเลยเพราะพลังมันไม่พอเนี่ยพระเจ้าถึงตัดเรื่องธรรมะจักรกับปวัตนสูตรเป็นสูตรแรกที่พระเจ้านําเสนอชาวโลกคือธรรมะจักรกับปวัตนสูตรโดยอาศัยฐานของอานาปณสตินี่แหละแต่ต้องเล่งเครื่องเล่นสติหมุนกรงล้อของธรรมะจักรนี่คือธรรมะจักรกับปวัตนสูตรที่พระองค์แสดง เมื่เรา เ, เครื่องปุ๊บเราก็ใส่เกียร์เข้าไปได้เลยถ้าพลังเบี่ยงมันไม่พอพลังหมุนมันไม่พอมันสู้แรงดึงดูดของอจาจตนะไม่ได้โดยเฉพาะไอตัวใจเนี่ยนี่คือกระบวนการของมันแล้วทุกคนอย่างนี้นอนมามาไม่กี่วันเนี่ยเราสัมผัสพลังงานอย่างหนึ่งในตัวเราได้แล้วว่าอะไรหมุนไปอีกสดียดูนะมันมีหนอนอยู่ในตัวเราไหมที่มันวิ่งไปวิ่งมา <c oughs> ตลอดชีวิตมาทําไมเราไม่รู้เรื่องมันมีแบบนี้ แล้วมีพลังอย่างหนึ่งเราไม่เคยรู้มันเลยเพราะเราไม่ฟังพุตรเจ้าเราวมจะไปฟังไอสไตายทุกคนพบพลังต่างๆเพื่อเอามาทำประโยชน์เอามาฆ่ากันเอามาทำลายล้างโลกแต่ถ้าเราฟังบุตเจ้าแล้วเราดนเนินตามที่พระองค์ชี้ทางให้เนี่ยทุกคนสามารถสัมผัสตัวนี้ได้เด็กๆก็ทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากมายแต่ที่มันยากเพราะเราไปติดบ่วง อุบายวิธีทีละขั้นทีละสเต็ปแต่ถ้าเราเข้าใจหลักคำสอนผู้เจ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ที่พระองค์เป่องออกมาไม่มีผิดนะนะอันนี้คืออาณาปณสติก็เป็นหนึ่งในอนุสติสิบเป็นสติเล็กอยู่ใน4ี่สิกองกรรมฐานเหมือนกันสมถาากรรมฐานแต่สามารถพัฒนาไปสู่วิปัสนากรรมฐานได้วิปัสนาจริงๆต้องเข้าไปในจิตในจิตอยู่ในฐานจิตฐานธรรม ทำในที่นี้ทําในธรรมคือทำอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ฝังอยู่ในจิตใต้สมนึกมันในรูปของกรรมดีกรรมชั่วเป็นเวทนาในอดีตที่บันทึกเป็นสัญญาไว้นะ่ะไม่ต้องไปสร้างเวทนานั่งสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงทรมานสังให้เกิดเวทนาไม่ต้องอยู่ข้างในยเยอะแยะเลยมันจะเกิดขึ้นมาทีละโปรแกรมแล้วก็มาสอบอารมณ์จิตปัจจุบันว่าทันไหมทีนี้ตัวสุดท้ายคืออุ ป, ปมาหนุสติ อุปมาโนสติก็คือแล้วลึกถึงคนของพันนิพานว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ถ้าพุทธศาสนิกชนคนใดเนี่ยปฏิเสธนิพานคนนั้นไม่เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าอยู่ในนี้หมดทีนี้เขาแยกเป็นหมวดเป็นหมู่เป็ น, ปนสูตรนั้นสูตรนี้เน่ยอันนี้เป็นเรื่องวิชาการแต่เวลาเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดอะ วว่าเวลาไหนจิตมันจะเอาตัวไหนมาใช้ไม่ต้องไปตั้งใจเรียนไม่ต้องฝึกภาษาอังกฤษบอก don't have to learn don't have to practice just do it ไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนคือปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยก็เ ข, เข้าไปในจิตเลยเมื่อเราเข้าไปในจิตได้แล้วอาจารย์เราจริงๆนะ่คือจิตเดิมเราเนี่ยเขาจะตื่นขึ้นมาสอนเราสอนไม่ใช่ด้วยผ่านภาษา ไม่มีภาษาแบบมนุษย์เขาสอนให้เราไปสัมผัสอารมณ์นั้นไปสัมผัสจริงๆเลยแล้วก็เห็นความเกิดดับของมันอารมณ์ดีเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวก็เกิดก็ดับเราก็้าไปสัมผัสตัวนั้นบ่อยๆแล้วก็เข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาติคือเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอนิจจงคือความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดทุกขังไม่ได้แปลว่าทุกในนัยยะ ซึ่งตรงกันข้ามกับสุขนะทุกขังตัวนี้ไม่ใช่ทุกแบบนั้นอันนี้เป็นทุกข์ของอารมณ์ที่เราไม่สุขเราก็เลยทุกข์ทุกขังในที่นี้คือดำรงอยู่ได้ยากเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงต้นไม้อยู่ได้พานปีไหมไม่ได้เพราะมันทุกขังมันดำรงอยู่ได้ยากนี่คือกฎพระไตรักเพราะอะไรเพราะเป็นอนัตตา มันไม่ใช่ไม่เพราะครูไม่ชอบคาว่ามันไม่มีตัวตนนะมันยังไม่ชัดถ้าจะใช้ภาษาพูดถึงนี้ที่แล้วมันพูดไม่ได้คำว่าอนับตาก็คืออย่าไปแปลมันแต่ที่ภาษาเราจะแปลออกมาให้มันใกล้เคียงที่สุดก็คือว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันมีอยู่แต่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แต่มันก็สลายเพราะมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกขัง เพราะมันดำรงอยู่ได้ยากไอ้ทุกขังในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เราทุกเพราะเราอกหักผิดหวังไม่ใช่ไอ้ทุกอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเขาบอกทุกข์ฝรั่ภาษาอังกฤษบอกไอ้ทุกข์เนี่ยมนทุกเพราะว่าเราทุกใจเราเสียใจเราเจ็บเราก็ทุกนะไอ้ทุกนี้มันเกิดขึ้นจากเราไม่รู้ความจริงตามธรรมชาติว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเราไม่ยอมเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงมัน พรมันเปลี่ยนแปลงเราก็เลยทุกไอันนี้ทุกหยับหยาบถ้าเราเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์กับสุขแบบนั้นเราจะเข้าถึงกฎแห่งความจริงสามประการของธรรมชาติว่ามันดำรงอยู่ได้ยากขันธ์ห้าที่ในตัวเราไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่มันอยู่ล้านปีได้ไหมไม่ได้มันก็เป็นของชั่วคราวนี่แหละเจตนาที่เราฝึกฝึกปฏิบัติจิตเนี่ย จะเป็นแนวไหนก็ช่างอุบายไหนก็ช่างเทคนิคไหนก็ช่างวิปัสนาแบบโลดผลแบบสายตรงอะไรก็ช่างเพื่อให้จิตเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาติซึ่งอีกกี่ล้านปีใครก็เปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าคิดขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่พระองค์ตัดสินพระองค์เข้าไปสัมผัสตรงนี้และพระองค์ก็มาบอกเก่าล้วกลายเป็นภาษาแล้วนี่คือพุทธวจนะที่กําลังทํากันอยู่สิ่งที่พระเจ้าตัดสินนั้นคือความจริง ความจริงนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้แต่สิ่งที่พระองค์มาบอกกล่าวเรากลายเป็นภาษาแล้วจะเป็นภาษาบาลีสันญกิกหรืออินเดียโบาราณก็ช่างภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นแต่ตอนนี้เขาสร้างคัมภีร์เล่มใหม่ล่าสุดเป็นเล่มแรกของโลกเพื่อให้เรายึดมั่นถือมั่นมันก็ขัดแย้งกับคำสอนพระเจ้ากันเองว่าอย่าเพิ่งเชื่อตําลาเพราะตํารามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นตอนนี้เอากันใหญ่เลย พระครูมีหน้าที่ชี้เตือนสติแต่ก็เป็นนานาจิตตังเขาก็บอกว่าเป็นอุบายไงแต่ถ้าเป็นอุบายนะพระครูคิดว่ามนุษย์เสียชาติเราตอนนี้โดยเฉพาะพุทธศาสนิีกะชนเราตกต่ำมากแค่มาเรียนกอไก่ใหม่เท่านั้นเองใครอ่านหนังสือออกก็อ่านได้ไงแล้วก็ไปหลงติดว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทก็ไม่ได้ผิดแต่พครูว่าเรียบเรียนผิด อนุญาตก็มีแล้วไงคนทุกวันนี้ไม่มีเวลาใช่ไหมมักง่ายใช่ไหมจากร้อยเรื่อก็เปลี่ยนอยู่สี่สิบห้าเรื่มให้มันอ่านาง่ายสอบง่ายไม่พอลดเลย อ, อยู่เรื่มหนึ่งกลายเป็นรัฐที่ใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปติดบ่วงแค่เราไปเรียนเอาอ่านกอไกว่าผู้เจ้าพูดอย่างนี้แล้วถานว่าแล้วทาหรือยังเอาแค่คําเดียวนะคําว่านี่พานยังยั ง, ยงตีความไม่เหมือนกันเลยตอนนี้นะ แล้วจะ เ, เวลาที่ไหนที่เป่งออกมาไปเอา ส, สูตรนั้นสูตรนี้มารวบรวมแล้วก็เอาแค่เนี่ยบรนทีความยังไงมันจะทุยความถูกไหมเราถอยหลังมากเราตกต่ำมากตกต่ำขนาดไหนใช่ไหมญาติดยมเราอุบาสกบาศิกาตอนนี้เขาพยายามโครงการทำให้มีสินห้าทั่วไปจริงๆริงแล้วสินห้ามันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ต้องถือแต่ตอนนี้มันหายไปไหน เพราะเราถูกความรู้ผิดเนี่ยมันบล็อกไว้ทาซานมีสินห้าอยู่แล้วไม่ต้องถือทาซานมันต้องโกหกไหมมันพูดภาษาไม่เป็นมันไม่โกหกแมันไม่มีความหยาบมันต้องโกหกทําไมมันมีสินห้าอยู่แล้วเอาเหล้ายี่ห้อดีๆแพงให้มันกินไหมไม่รู้ป็นกินไปทําไมอืมันบอกเหมินด้วยเขามีสินห้าอยู่แล้วสินคือความปกติของจิตแต่ตอนนี้ มันแสดงออกถึงความตกต่ำของมวลมนุษยชาติเราพัฒนาแต่วัตถุเพิ่มความโลภความโกรธความหลงเข้ามาจนไปกบเตือนสินที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องมาถือสินกันถือถือจุดๆดบางทีมือถือสาบปากถือสินอันตรายมากนะถ้าคนรู้อยู่แล้วยังไปทำความชั่วเนี่ยสองเด้งสามเด้ง คนไม่รู้ทำผิดไม่เป็นไรนะก็ไปตามกรรมเด้งเดียวพวกะครูชี้ให้ดูว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นกระแสที่ทำอะไรสนองตัญหาของผู้คนเหมือนให้เขามีที่ยึดแต่ที่ยึดนั้นนะ่ะมันคืออะไรรู้ไหมไม้หลักปักขี้เลนมันจะไม่ช่วยชีวิตเขาเลยทำให้เขาหลงด้วยถ้าส่วนตัวพวกครูนะแลกเปลี่ยน ปฏิบัติปฏิเวทปริยัติเกิดขึ้นทีหลังอ้างพุทธวจนะไม่เคยทํำตามพระองค์เลยพระองค์ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยเนี่ยแล้วอ่านทําไมมาถึงไม่พ้นทุกข์ไงเพรามันไปเสียเวลาตีความแค่ยี่พานคําเดียวก็ตีความไม่เหมือนกับคนนึงบอกเดียวซ้ายคนหนึงบอกเดียวขวาคนนึ่งบอกเป็นอัตตาัตาเนี่ยคุณตีความชาตินี้นไปทะเลาะ ก, กันเรื่องภาษาในถามว่าแล้วมันได้อะไรเนี่ย สนองตัญหาผู้คนเพราะเราไปเชื่อว่าวิชาความรู้ความรู้เกิดจากวิชานี่วิชานี่ชัดเจนลอกเรียนแบบจากพรธิศกไม่มีตกค้างเลยนิพพานไม่ได้สมบูผิดเลยทำไมแปลผิดมันพุดเราตกต่ำมากตกต่ำมากและตอนนี้เนี่ยบอกพอเพียง ธรรมชาติพอเพียงอยู่แล้วท่าสามันหิวก็กินง่วงก็นอนแต่ตอนนี้ความพอเพียงเราหายไปไหนถูกครอบงาด้วยความรู้ผิดที่มันแฝงด้วยความโลภโกรธหลงเนี่ยไอ้ความพอเพียงที่มีตามธรรมชาติมันหายไปหมดเนี่ยนี่คือความตกต่ําของมนุษย์นะหนึ่งถือศีลห้าสองต้องพอเพียงต้องมาเป็นวิชาเรียนแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในศูนย์นี้เองปีที่แล้วมีครูวุโสคนหนึ่งเราประชุมกัน วันนี้พักครูประชุมครูเหมือนกันเห็นไหมรถเต็มศูนย์เลยเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเราเนี่จเจริญมากเลยวัตถุนิยมครูมีรถกันทุกคนแต่เด็กนักเรียนไม่ได้พัฒนาเลยวันนี้พักครูเอเมริาเทศถ้าเราไม่เผอยุคนี้น่ยถูกครอบหมดละ่ะอบรมทีนึงเราเคยเอาเข้าครูมาเข้าค่ายน่ะอาจารย์ครูสมิงที่พิทยกรมาจากกรุงเทพท่านก็เรียนพักครูวกับพักครูครูอบรมทีนึงอยู่ได้สามเดือน คือกำลังที่อบรมเนี่ยมันอยู่ได้สามเดือนพอหลังจากนั้นมันก็ถูกกลืนเหมือนเก่าอันนี้ก็จริงมันน่าเป็นห่วงมากเพราะกระแสโลกมันเปลี่ยนสิ่งเล้าใจมันเนี่ยกิเลสมันพัฒนาไปตามเทคโนโลยีมันขี่จรวดเราโมแต่ไปขี่คอช้างถือเง้ยวถือเงาวฟันดาบแล้วมันไม่ทันัวแต่อนุรักษ์อ้างว่าเป็นของเก่าเป็นของดีมันไม่ได้ดีไม่ใช่มันไม่ดีนะผู้เจ้าบอกเองว่าอย่าพิ่งเชื่อที่ทําตามตามกันมา ไม่ใช่มันไม่ดีพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีแต่มันไม่ทันสมัยพรากิเลสมันขี่จรวดแล้วคุณมวลจะตึ้้นทมๆแล้วคุณอนุรักษ์ไม่อยู่เมื่อพวกรุ่นเราตายหมดแล้วเนี่ยรุ่นรุ่นใหม่มเขาไม่เอาแล้วมันก็สูญพันธ์ไงเราไม่มีปัญญาเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนพระุทธเจ้าบอกเองว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยพองค์ยิ่งใหญ่มากพรองค์รู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไงแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนเรายึดมั่นถือมั่นอนุรักษ์ที่ ครบาอาจารย์รุ่นต่อรุ่นหมอต้องเอาแบบนี้ต้องแบบนี้แล้วคุณจะวิ่งไล่กิเลสมันทันหรือมันร้อยกิเลสไปปั่จุบันโมงคุณไปเดินทีละชาชาสิคุณโดนไม่ต่งชั่วโมงนะมันไม่ทันไงนี่แหละพระเจ้าที่บอกว่าอย่าพิ่งเชื่อที่ทำตามตา ม, ตามกันมาเพราะครูก็ไม่เคยศึกษาหลายศาสนาหรอกไม่ว่าศาสนาหรือเขากล้าพูดอย่างนี้ไหมแต่เห็นตรง น, นี้แล้วว่าพกกก่อครูต้องถวายจิตพุทธเจ้าไงไม่ใช่ศาสนาที่เห็นแก่ตัวจะเอามวลชนเยอะๆต้องใช้อุบายว่าต้องศรัทธา นะพระองค์นะห้ามคิดนอกกรอบอะไรนี้นะนะลูกหลานมาก็ต้องบังคับเครงมาเป็นศาสนาเป็นศาสนาเดียวหรืว่าอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์ท่านไม่กลัวว่าใครจะหนีออกจากศาสนาท่านท่านต้องการให้กดเกิดปัญญามันเป็นทางทางเดียวที่เราจะพ้นทุกข์ไอ้พิสัทธาแบบซื้อดูดแบบหลงงมงายละมันมันไม่ได้ช่วยอะไรมันเหมือนช่วยระดับหนึ่งแล้วมีที่เกาะแต่เราจะไม่มีวันเข้มแข็ง เหมือนเด็กๆ เ, เนี่ยเกาพ่อแม่ไปไหนก็ขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะโตผู้เจ้าบอกอัตติหิอัตโนานาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อกี้พระครูโยงไปยงมาที่พูดไปก็ไม่รู้ลืมเวลาช่างมันนะก็เอาเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆทีนี้ก็ตกตกมาดีกว่านะเอาเป็นว่าวิมุติหรือนิพานเนี่ยคือแก่น เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราและทีนี้เครื่องมือที่จะไปสู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่ไปเสียเวลาอยู่แค่สติหรือสมาธิต้องโพธิปักขีธรรมสามสิบเจ็ดประการรวมพลังกันกลายเป็นมัคสมังคีแล้วจะถึงมีพลังฟันฝ่ากระแสะกรรมก็ดีกิเลสตัณหาอุปาทานก็ดีเฉพาะสติมันเอาไม่อยู่เฉพาะสมาธิเอาไม่อยู่ มัสมังคีต้องรวมทั้งโพธิปักขียธรรม3าประการเริ่มจากข้อที่หนึ่งคือสติปฐานสี่อันนี้เทวดาทำไม่ได้เทวดาไม่มีฐานกายแล้วก็สติปฐานสีนี่มันต้องอาศัยอนุสติส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอาณาปณสติผู้เจ้าตัดไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ตอนนี้เราบริบูรณ์ไหมซ้ายขวาหนึ่งสองอยู่ในฐานกายเป็นอริย บ, บทของกายเราแยกส่วนมีผู้เพื่อนในสิ่งที่ถูกเห็นมันยังไม่บริบูรณ์มันเป็นอนุสติสติปฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมทำโพดชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ถ้าเราไม่เข้าไปสู่จิตในจิตแล้วไม่เรื่องเพเป็นมหาสติปัฏฐานเนี่ยเราจะไม่เกิดมหาสติคือมีสติใหญ่เราจะไม่สามารถมีกําลังไปแล้วลึกลูกบา ร, รมีในอดีตเราโดยเฉพาะเรื่องโพดชงโพดชงอยู่ในเว็บไซต์นั้นถ้าเราไม่มีกําลังพอเราก็สู้ไอแรงดึงดุลของความคิดกับอารมณ์อยากที่ใจไม่ได้แล้วก็เข้าไปในจิตไม่ได้เมื่อเราเข้าไปในจิตได้แล้วโพดชง ทั้ง7มันก็แสดงตัวที่เราเต้นลัมเราลัมไปลัมมาแลาวิ่งไปวิ่งมาถ้าไม่มีสติเราก็ชนกันตายแล้วเรามีสติสัมโพชงเรากาลังเจริญโพชงเมื่อโพชงทั้งเจ็อันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาอันนี้ช่อช้างสองตัวไม่ใช่วิชาแบบทางโลกวิชาความรู้วิชาตัวนี้คือตัวปัญญา เมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นมันก็แก้ที่ต้นเหตุของมันว่าต้นเหตุคือเรามีอัตตามันก็ระเบิดอัตตาตัวนั้นทิ้งเข้าไปสู่สุญญาตาว่างจากอัตตาวิมุตติก็สมบูรณ์นี่คืออาณาปณสติสุรเขาพูดชัดเจนแต่ถ้าอยู่อาณาปณสติแค่ว่าลมหายใจออกเข้าออกก็รู้ยาวก็รู้ก็ได้แค่ความสมุบชั่วครู่แม้กระทั่งหมุนมันได้หมุนแล้วเกิดลมปานขึ้นแล้วก็อยู่กับลมปานนั้นบางคนจริงก็ฝึกลมปานถ้าเราไม่ไปต่อเราก็จะเจริน เป็นอาณาปนาสติเป็นอนุสติยังพัฒนาไปสู่มหาสติไม่ได้ที่เราเกิดลมพานเพราะเราการเราต้องการรวมสี่สี่อย่างนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวคือกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวสติปัฏฐานทั้งสี่สมบูรณ์นี่คือมหาสติปัฏฐานเราถึงจะละลึกชาติได้เราถึงจะบางทีไม่ต้องละลึกชาติแต่มันสามารถไปดึงอดีตบรารมีเรามาต่อ ย, ยอดได้มันชัดเจนอยู่ในนี้ว่าพอหลวงปู่อเ อ, อ๋ไม่ใช่อุปทานหรือเปล่าบอกใช่แล้วอุปทานอย่าเพิ่งหนี มาช่วยกันแก้อุปทานในเขาเราก็ลังเอาอุปทานออกไม่ใช่ไปสร้างอุบายใหม่ไปสร้างอุปทานใหม่เหมือนตอนนี้เราปวดหัวใช่ไหมก็ไปกินยาพาราไปกดมันไว้พอลิ์ยามันหมดก็ปวดอีกเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของมันน่ะไอตัวอยากคิดนั่นแหละมันสร้างมโนกรรมบ่อยๆมันก็ปวดหัวไงพอเราทิ้งเบียงตัวตัวอยากทิ้งเลยมันก็ไม่มีเหตุต้องคิดมันไม่ต้องสร้างมโนกรรมมันไม่ต้องปวดหัวถ้ามันไม่เกิดปัญญามันก็วางความคิดไม่ได้เพราะว่ามันอยากไง ถ้าเราไม่มีความอยากและไม่มีเหตุผลตรงคิดถามว่าทาสานมันคิดอยากได้รถเบนไหมไม่เอาไปทําไมไม่รู้เพราะมันน ม, มีความรู้ผิดเอารถเบนก็ดีดีกว่าโตโยต้าแล้วไงรู้ผิดยังไงมันให้ฟรีหรือเปล่ามันแพงมากอ่ะมันไม่ดีเพราะมันแพงบางคนมันดีมันทนะรถเบนไปซื้อเปลี่ยนรถกระบะได้ตั้งสิบคันอันนี้ก็โกหกมไม่ได้ทน ลองเอาคัตเตอร์ไปกีดรถเบนรถเบนมันเจ็บไหมไม่เจ็บใครเจ็บไอ้เจ้าของรถมันเจ็บนะมันดีมันทาให้เราเจ็บเห็นไหมที่เลรมันบอกว่าดีไงมันสมอยากอะไรไงมันอยากได้มันได้นะท้าสามันไม่มันไม่มีความอยากมันก็ไม่ต้องคิดที่อยากได้รถเบนไงมันก็เลยไม่ต้องทุกข์ไงมันก็ไม่ต้องไปหาคุณหมอซื้อยาพารามากินไงเห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยที่เราทุกข์ไม่ใช่เราอาวิชาไม่แต่ว่าไม่ใช่ไปว่าเราเราเป็นคนไม่รู้ เป็นคนโง่นะเอาวิชาคือความรู้ผิดไม่ใช่ความไม่รู้มันรู้ผิดมันจึงคิดไงไอ้รู้ผิดจะทำให้มันมีความอยากทาสานมันไม่มีอาวิชามันก็ไปคิดทําไมเมื่อเอาวิชาไม่มีสังขารก็ไม่เกิดมันไม่ต้องคิดปรุงแต่งอยากได้รดเบนเห็นไหมวิญญาณก็ไม่ต้องเกิดที่จะไปหาวิธีเอารถเบนมามันไม่มีเอวิชาแต่ทาสานมันก็ไม่ได้มีโอกาสเจอวิชาด้วยมันไม่รู้วิชาผลทุก์เรามาเจอแล้วถ้ายังไม่รีบ ใช้โอกาสนี้เนี่ยมุ่งมั่นอีกเนี่ยก็บุญมีแต่กรรมบังเป็นเรื่องของนานาจิตตังแล้วข้อต้องมันไม่สําคัญเพราะครูเมื่อกี้เพิ่งอบรมครูเราเจอปัญหาเหมือนกันเรียนแค่มอสองมอสามออกออกออกออ ก, ออกเปิดมอสี่ปุ๊บตัวเลขรวมกันเท่าเกา่าแล้วมาทั้งที่ครับเกิดอะไรขึ้นปัญหาเด็กมันนอกกับปัญหาเด็กในเมืองไม่เหมือนกันเด็กในเมืองเนี่ต้องไปเสียค่าแปะเจียแพงที่ไหนฉันก็เข้าเรียนพิเศษด้วย มันกระตือรือร้นพ่อแม่ก็ขยันผักดันเพราะว่าเขาต้องการมีอนาคตเด็กที่นี่เขาไม่เห็นว่าการศึกษาช่วยอะไรเขาไม่กลายเป็นปัญหาของเราเพราะครูก็ฝากการบ้านครูอะแต่ที่นี่เราเปลี่ยนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกมันเปลี่ยนและเกิดอาเซียนขึ้นมาเนี่ยเราไปขายแรงงานชิ่าเราจะอยู่ได้เหมือนเก่าหรอแรงงานพม่าเขมรลาเขาก็ถูกกับเราอีกต้นเดือบปลูกมันเหรอเดี๋ยวมันอาเซียนมันเปิดฟรีน่ยมันมันถูกกับเราอีกตอนนี้เราเห็นนายยางเห็นไหม กำลังจะล้มละเลยห น, น้ากันหมดแล้วชีวิตเราไปแขวนอยู่กับเส้นได้แต่ถ้าเราอยู่ลำพังอย่าไปเปิดอาเซียนอะไรอะไรอย่าให้คนอื่นมายุ่งฉันเขาก็จนเขาก็จ น, เ ข, จนเขาก็มีทุกข์นะแต่ตอนนี้บังเอิญมาเขาก็อยากได้แต่เขาทําไม่เป็นเขาก็เลยเป็นเหยื่อก็ฝากคุณครูว่าต้องยอมรับความจริงคือเขาไม่กล้าคิดพ่อแม่ก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่บอกทํางานก็ได้เงินแล้วก็อยู่ได้ไงมันไม่ได้อยู่ได้อยู่แล้วมันเสียเพราะมันเป็นหนี้ และต่อไปเปิดอาเซียนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอยู่ยากกว่าเก่าอีกเพราะการแข่งขันยื้อแย่มันจะแรงขึ้นวันนี้ก็พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะหมดนะธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือ ค, อความจรงิงการที่เอาความจริงมาสนทนานกันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาฮิมาลายแต่ตอนนี้ธรรมะกลายเป็นพุทธวจนะสรุปให้เห็นตรงนี้มันก็เป็นแค่วิชาความรู้อย่างหนึ่งมันไม่ใช่ปัญญาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปติดบวก แต่ว่าจะได้อ่านเล่มนี้แล้วมันจะมุ น, นทุกข์นะอ่านพระไตรปิฎกเลยตั้งแต่รุ่นร้อยเริ่มรุ่นร้อยสี่สิบ้าเริ่มจนเป็นด็อกเตอร์จบป ร, ริญญาเก้าก็ยังมานั่งทะเลาะ ก, กันอยู่ทําไมพวกคุณบอกว่าปฏิบัติปฏิเวทปริยัติพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกอ่านพระองค์เริ่มจากปฏิบัติลองถูกลองผิดอยู่6พรรษาเมื่อตัดสิรูธรรมเข้าสู่ปฏิเวทก็อเอาสิ่งที่พระองค์รู้บ고เห็นเนี่ยมาบอกกล่าวเท่าที่พูดได้จะเป็นพระอ น, นุนหรือเปล่าบันทึกไว้เนี่ยต่อเถียงนั้นก็ไม่จ ถ้าเร า, เราล้วนลึกช้านไม่ได้เราก็ไม่เชื่อเชื่อบ้างเชื่อตามที่เขาบอกเราผู้เจ้าทุกบอกว่าอยา่าเพิ่งเชื่อที่เขาพูดพูดกันมานะแต่มันก็เถียงกันอยู่ทุกวันนี้นะ่ะแล้วทํำไมไม่ทําตามผู้ที่เจ้าล่ะผู้เจ้าไม่อ่านพระไตรปิฎกเลยเพราะวพะวกทุงบรรทูทําไงเพที่เราอ่านมันก็ไม่บรรลุไงเพราะเสียเวลามาตีความมาแปลว่ามันคือว่าอะไรไงเอาขยะมาเพิ่มอีกแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีพระไตรปิฎกเหมือนลายแทงเหมือนแผนที่ เมื่าปฏิบัติแล้วไปถึงจา่ายถึงเวลาหนึ่งเนิมันไปไม่เป็นหรือมันเจออารมณ์หนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่ายังไงเจ๊งแล้วก็ไปเปิดเปิดเปิดเปิ ด, ปดอ๋ออ๋อ อ, อมันเป็นแค่ชื่อสมมติแต่ตอนนี้เราเอาเรื่นี้กลายเป็นวิชาที่ต้องเรียนรู้เพื่อลาบยศสรรเสริญก็ไปขัดแย้งกับคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างนั่นว่าคําว่าดังไงดีเด่นดังดับพวกครูเชียเลยนี่คือคนต่อไปเราหลงไม่พอเนื่องจากแฝงด้วยอามิตรอยู่ เราก็ทําให้คนเขาหลงด้วยถ้ายังไม่แตกฉานเนี่ยจะ่ไป ย, ยุ่งกับลุงพวกนี้สายวัดป่าอุบลเราเนี่ยโดยเฉพาะสายหลวงพ่อชาเนี่ยถ้าหลวงพ่อท่านยังอยู่นะสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เนื่องจากท่านจากไปแล้วไม่มีใครนับถือใครละอะไรเนี่ยฉันก็ต่างคนต่างไปแล้วเราเห็นเป็นแล้วเกิดทีละลายทีละลา ย, ลลายแล้วเห็นไหมเราเห็นแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะเห็นบางคนเห็นก็เหมือนไม่เห็นเพราะปัญญายังไม่ถึง ก็ครูเห็นความตกต่ําเสื่อมโทรมของสังคมเพราะทุกเราเนี่ยเราไม่ระวังไม่ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยทุกคนก็ง่ายที่จะถูกมันครอบงําจิตไม่บริสุทธิ์มีอามิ t h ตลอดทําอะไรแฝงด้วยอามิ t h ทั้งหมดน่ะแล้วหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้หรอกมันชักกระเยอะกันอย่างยิ่งจะไปได้ยังไงก็ชี้ให้ดูแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าเป่องออกมาแล้วให้เข้าถึงก่อนดีไหมแล้วเข้าไปดูว่าพระอง์เป่องอะไรไม่ต้องไปแปลไง แต่ตอนนี้ไปแต่ตีความเอาถ้าฉันเชื่อฉันก็บอกว่าดีถ้าฉันไม่เชื่อฉันบอกไม่ดีทะเลาะกันจนั้นนั่นแหละเราเสียเวลาแล้วไม่ใช่ผู้เจ้าองค์เดียวนะผู้เจ้าทั้งหลายที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราเนี่ยเจ้าชายชีรัตถาเป็นองค์ที่ยี่สิบแปดอีกยี่สิบ็ดพระองค์ในก่อนหน้านี้ก็มีไม่มีพระไตรปิฎกอ่านทําไมท่านเหล่านั้นมาเลือกทำได้แล้วไม่มีพระสมฆ์องค์แรกด้วยทําไมท่านไม่ตายตอนนี้มาเติมแต่อยากให้มันขังนะว่าหมดยุกแล้วนะ ถ้าทำอะไรที่มันกลายเป็นใสยสาศาสตร์เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้คนรุ่นใหม่เขาไม่เอาเราจะอดุรักษ์ไม่อยู่เราตายไปแล้วมันก็สูญพันธุ์ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องถ้าต้องการเป่งวาจาก็ต้องพูดสิ่งที่มันเป็นจริงแต่ที่นี่ใครแยกออกว่ามันจริงไม่จริงล่ะมันอยู่ที่ปัญญาระดับมันปัญญามันไม่เท่ากันถ้าไปอ่านพระยุคมัย่ก่อนไปอ่านดูซิโอฟังธรรมบุบรรลืโสดาบันพองค์ให้เผยแผงไหมไม่ บวชให้ทำานเองศึกษาปฏิบัตินั้นแตกฉานล้วค่อยดำดิให้สาวกจารึออกอุปปการะพรมมาจันชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกไม่เคยเป่งว่าให้ไปประกาศาศาสนาแม้แต่หนึ่งครั้งตอนนี้ประกาศาศาสนาแข่งกันมันทะเลาะ ก, กันทั้งโลกไงประกาศพรมมาจันชี้ทางบนทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นเป็นทางเดียวที่ไม่ต้องทะเลาะ ก, กับใครส่วนเขาจะนับถือาศาสนาใดประเพนีวัฒนธรรมเขาเป็นเรื่องของเขา ไปเปลี่ยนชีวิตเขาทำไมมันก็เลยการเป็นศึกย่างชิงมวลชนกันการเมืองที่ทะเลาะกันทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีแฝงด้วยเรื่องศาสนาเนี่ยแหละเรื่องความเชื่อไม่ต่างกันศาสนาเป็นสิ่งที่ดีศาสนาไม่เสื่อมแต่คนในศาสนาถ้าไม่ตั้งมัน่นไม่แม่นมีอามิตรแล้วมันจะทําให้ภาพของศาสนาเนี่ยเลอะเลือนไม่เกี่ยวกับศาสนาตัวศาสนาเองคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยใครเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้อีกกี่ล้านปีก็คงอยู่ แต่อยู่ที่ว่าใครจะมีปัญญาเข้าใจสิ่งที่พระ อ, องค์เป่องออกมาพุทธวจนะตรงนั้นน่ยมันเป็นแค่ภาษาเราจะเข้าใจมันผิดแล้วเราเข้าใจผิดเราก็ปฏิบัติผิดไปแยกส่วนพิจารณาไงก็เติมเติมเติมเนีย่ยมไสามสิบกว่าพรรษาสี่สิบพรรษาก็แป๊กไงก็เห็นกันอยู่แต่ไม่เห็นเนี่ยพรกครุโอสนุกกันดี ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเขียนพระไตรปิฎกแล้วมาโฆษณาชวนเชื่อว่าเล่มแรกของโลกสักทีหนึ่งก็ไมทําตามพุทธวจนะไงเพราะองค์ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยแล้วไปอ่านทําไมสมมุติอย่างนี้นะอ้านพุทธวจนะเห็นไหมมีใครบ้างรู้มากเท่ากับพระอนนุนนะมีใครบ้างไม่ต้องแปลบาลีเป็นไทยนะไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยทะเลาะ ก, กันวันนี้ผานเป็นอัตตาั ต, ตานะรับจากพระโอษฐโดยตรงเลย เห็นวัดปฏิบัติผู้ที่เจ้าเลยไงแล้วทำไมไม่บรรลุธรรมละ่ะทําไมไม่บรรลุธรรมเกือบไปไม่ทันนะพวกนี้ต้องเป็นประธานใรื่สงฆ์เน่ยน ะ, นะก็มัวแต่บันทึกบันทึกนะะี่ะคืนนั้นเอาเป็นเอาตายเลยเพราะว่าไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าประชุมร่วมร่วมไม่ได้ไนงะปฏิบัติจนถึงสว่างหมดปัญญาแล้วนอนดีกว่า พอระหว่างที่นอนดีกว่าบรรลุกลางอากาศเนี่ยถามว่าสูตรไหนมีในกรรมฐานสี่สิบหรือเปล่าอันนี้บอกมีไหมพระเดชมีไหมถ้าไม่มีก็คือไม่ใช่พุทธล้วไปซื่อบือ้อเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องของภาษ า, อาะอ้าพระอานนท์ในบรรลุกลางอากาศถามว่าสูตรไหนสูตรพระอานอนท์ไงเราเรียนแบบได้ไหมได้ตำรวจไม่จับแต่มันจะบรรลุได้หรือเปล่าไม่รู้ที่เบสเขาก็ทํานะ เขากราบว่าเนี่ยเขาทิ้งตัวเลยทิ้งตัวเลยเมียครูบาอาจารย์มันรู้ได้พอเวลาเน้นว่างมันก็ว่างได้เหมือนกันถ้ามันถึงเวลาแต่ไม่ใช่ทุกคนทําได้สูตรใครสูตรมันแต่เราไม่หลงซื้อเื่อว่าถ้าไม่บันทึกมาแล้วก็ไม่ใช่และที่ถ้าบันทึกมาเนี่ยใครบันทึกผู้เจ้าเองไม่เคยอ่านบันทึกเลยผู้เจ้าไม่เคยมีพระไปิฎกแลยทําไมท่านันรลุบรรลุธรล่ะจะเอาทําพุทธวจนะแล้วทำไมจะทบมาทางมาพุทธเจ้า พระหิะไม่เคยรู้เรื่องเลยฟังทำไปหนงมารู้ทำถามว่าสูตรไหนอยู่ในกรรมฐานสี่สิบข้อไหนไม่มีนั่นสูตรอะไรสูตรพระหิยะไงถ้าจะอ่านพระวิดกก็อ่านนี่มันครบปมครบรอบมันจะได้มีซู่ดืแต่ดีที่สุดปฏิบัติให้มันเข้าถึงก่อนอยากเปิดอ่านลเล่นๆก็เปิดอ่านแล้วก็อ๋อเป็นแค่ชื่อสมมุติตอนนี้เอากันใหญ่เลยสร้างพระคัมภี์ขึ้นมาเล่มแรกของโลก โตมหมดกันหนึ่งขายสินค้าอะไรใหญ่โตนี่เหรอพุทธวจนะพระเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้เหรอไม่ได้สอนสักหน่อยหนึ่งนะพวกครูขออนุญาตพูดในฐานะที่พวกเราเป็นผู้เดินทางก็รับฟังส่วนจะฟังได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องของนานาจิตตังนะความรู้ซึ่งผ่านภาษาเนี่เป็นแค่ขยะแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์บางคนฟังทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็บรรลุธร มีแต่ไม่ใช่ทางสายกลางว่าทุกคนทำได้ผู้เจ้าชี้ทางสายทางให้เราสายกลางให้เราแล้วทุกคนเดินได้ส่วนช้าหรูอเร็วอยู่ที่บา ร, รมีของแต่ละคนสะสมมาไม่เท่ากันกรรมที่สร้างมาก็ไม่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราเรียนรู้วิชาการเป็นแพ็กเกจเป็นแพทเทิร์นเป็นวิชาตายตัวเลยเป็นดุนๆมันก็เลยไม่ไปไหนงไงเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้น นะมันเป็นนาณ า, นานจิตตั้งคำนี้ก็มีคําแปลในตัวแล้วเนี่ยแต่ถ้าดวงจิตไม่เหมือนกันแต่เราความคิดเป็นแบบว่ายัดเยียดรู้กคนมาหมา่ใช่ไหมมามาเป็นหนยนต์เหมือนกันหมดอมาเรียนกอไก่ขอไข่เอพซชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่พ่อครูว่าพูดถึงยุะนี้นะแต่ลรยุคไม่เหมือนกันนะถ้ายุคโบราณทําอย่างนั้นเนี่ยบางทีบรรลุทําได้เหมือนกันนะเพราะกิเลสมันยังไม่แรงไสิ่งบุญแต่งยังไม่เยอะไนงะแต่ยุคนี้ถ้าทําอย่างนั้นพ่อคูบอกว่าตายก่อน นี่แหละผู้เจ้ารู้ไงเห็นไงผู้โุเบกับเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแต่ตอนนี้เราไม่ไปทำตามอย่เหตุแล้วไม่มองว่าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงเรายึดมั่นถือมั่นกับความเชื่อของตัวเองอนุรักษณ์ของเก่ามันดีไงของเก่าดีแน่แนถ้าเป็นหลักคําสอนพุทธเจ้าแต่เทคนิคอุบายวิธีเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยเราทําตามผู้เจ้าหรือเปล่า เราทําตามพุทธวจะนะไหมไม่เรารู้เฉยๆนะปฏิบัติปฏิเวณให้เข้าถึงก่อนมีความต้องการรู้ว่าสภาวะนั้นอารมณ์นั้นเขาสมมุติชื่อเรียกว่าอะไรเราเข้าไปเปิดอ่านอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะสำคัญคือวิมุตติสี่ห้าข้อพูดมาก็ไม่มีบอกว่าต้องเพิ่มความรู้อะไรเลยและทุกข้อทั้งหมดรวมอยู่ใน ศีล ส, สมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเพื่ออะไรเพื่อลดละเลิกโทมโทมไม่ได้บอกให้เราเพิ่มไม้แต่หนึ่งอย่างอินรหีห้าพละาห้ามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแต่มันไม่พออ่ำไม่เพิ่มไม่ก็เพิ่มไงอินรหีห้าพละาห้ามันเพิ่มขึ้นเพราะเราลดไงเราแค่กิเลสออกรล่าเลิกองไงมันก็จะเพิ่มไม่ใช่เราสร้างมันขึ้นมานะมันเกิดจากเราเอาออกการทําทานเหมือนกันทานศีลภาวนาเนี่ย ทานเนี่ยเกิดจากเราเอากิเลสความโลภความตณีออกบุญมันเกิดจากบุญคือเบาบาปคือหนักเรายกภูเขาออกมันก็เกิดเป็นบุญแล้วเห็นไหมบุญตัวนี้มันเกิดจากเราเอาออกไม่ใช่เราไปเพิ่มอะไรเข้ามานะไม่ใช่เพิ่มความรู้ปัญญาเกิดจากการเห็นแจ้งกติกเกิดจากเราเอาเอาวิชาออกไม่ใช่ไปเพิ่มความรู้อันนั้นไปเพิ่มขยะเพิ่มอุปทานเข้ามาใหม่แต่ตัวนี้เนี่ย คำพีเล่มแรกของโลกเนี่ยเขาบอกให้เราเพิ่มขยะเข้าไปเพราะครูคนนึงไม่เห็นด้วยโปรโหมดกันเป็นแบบเหมือ น, นการพา น, นิษฐ์อ่ะมันภาพมันไม่ชัดอ่ะผู้เจ้าสอนทานสินภาวนาการให้ทานเป็นหน้าที่ของเราถ้าให้ทานอย่าขายสิแจกสิให้ทานให้ศูนย์ทานอย่างนี้มายี่บห้าปี ลงทะเบียปฏิบัติที่นี่ปุ๊กเคยถามหาเงินไหมใช่มันไม่ใช่แนวทางนี่เราทำตามพุทธวจนะจริงๆถ้าพูดถึงในวิชาการเนี่ยมันมีคำว่าธรรมวิจยะไม่มีหรอกคำว่าพุทธวจนะก็สมควรแล้วที่เขาบอกเป็นเริ่มแรกของโลกเอาภาษาพระองค์พูดมาเนี่ยขามารวบรวมตรงนี้แล้วก็ย่อลงมาหน่อยแล้วบอกว่านี่เป็นพุทธวจนะธรรมวิจยะ ในโพชงเจ็ดแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติมาเรา ท, ทําท่านนันท่านนี้เรารู้ว่ามันยกอย่างนี้ให้มันปวดกระดูกตรงนี้ปุ๊บเราก็เบาเราก็ว่างเราก็ อ, อก๋อมันวิจัยทำโดยไม่ต้องผ่านการนึกคิดธรรมวิจยะคือเขาวิจัยทำวิจัยความจริงที่เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นน่ะโดยไม่ผ่านความคิดเพิกกาจากป ร, ประสบการณ์จริงๆเดี๋ยวมันทุกข์มันทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุ้เดี๋ยวมันก็หายไปเห็นไหม มันไม่ผ่านความคิดมันไปผ่านจากการสัมผัสจริงว่าเฮ้ยทุกข์ก็ไม่จีหลังยั่งยืนไม่เที่ยงไอ้ที่เรามีอารมณ์ทุกข์มันก็คือทุกขังมันดำรงอยู่มันได้ยากมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเพราะมันก็เป็นอนัตตานั่นแหละธรรมวิจัะมันวิจัยธรรมโดยไม่ผ่านการนึกการคิดมันเกิดปัญญาโดยไม่ต้องเพิ่มความรู้พระองค์ไม่ได้สอนให้เราเพิ่มอะไรไม่แต่นึงอย่างบุนเกิดจากอะไร จากเราออกไงเห็นไหมแต่ตอนนี้เอาเงินไปซื้อบุญกันไปสะสมบุญกันมันไม่ใช่บุญมันเป็นแค่กิริยาในการทําบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยยิ่งมาก็ยิ่งหนักบุญคือจากะคือสลัดออกบุญมันเกิดจากเราเอาออกไม่ใช่เรามาเพิ่มอะไรเลยนะมันก็เบาไงนั่นแหละคือบุญแต่ตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วนะพักกูก็ เด็กดีกว่างั้นมันไม่จบนะที่สี่ทุมก็ไม่จบเนาะก็เอาแค่ที่มันเอาเนาะอย่าไปเดียวเลียงหรือว่าอะไรเว้ยต้องเป็นหมวดเป็นหมวดอะไรมาหรอกมันจะพูดอะไรก็ให้มันพูดออกไปเนาะเราจับใจความได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะก็เดี๋ยวเราจะมีเวลาปฏิบัติกันก่อนที่จะไปพักผ่อนสุดท้ขายก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญรับบารมีที่ได้ร่วมกับทุก ป, ป, ปฏิบัตินา ได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน